วันนี้พอจะเย็นบ้างมีฝนตกนา น, นานไม่ได้ไปชมก่มนอนอย่ลืมเนื้อลืมตัวแหละพวกเราลืมเนื้อลืมตัวลืมหน้าที่ลืมการลืมงานลืมกำหนดจดจ่อลืมย้อนมาดูตัวเองกิเลสมก็ดึงไปเรื่อยดึงไปเรื่อยดึงไปเรื่อยดึงไปเรื่อย ดึงไปจนเป็นเนื้อเป็นหนังของมันทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องตื่นตัวไม่มีอะไรเป็นเครื <pot> ่องตื่นเนื้อตื่นตัวเป็นเนื้อเป็นหนังของที่เละทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นเครืรอ่รองให้ความสำคัญมั่นหมายในใจของเราลอยลอยล่องลอยไปตาม สายลมของกิเลสเพลงของกิเลสวิ่งวันทั่วที่ลืมเนะ้อลืมตัวลืมหน้าที่ลืมเดินน่ะหนักหนักเข้าลืมเดินหนักหนักเข้าลืมนั่งเดินถึงกลมนั่งภาวนา หนักหนักเขานั่งไม่ได้หนักหนักเขาเดินไม่ได้เพราะมันลืมมันลืมเรื่อยเอยลืมจนเหลิองดึงมาใส่มันก็สลัดคิเลสมันสลัดสลัดออกจากหัวใจสลัดธรรมะออกจากหัวใจมันครองแทน ดึงธรรมะมาใส่มันก็สลัดออกมันครองแทนมันเป็นควานแทนดึงธรรมะมาจะเป็นควานประจำใจซะหน่อยมันถูกสลัดหัวใจมันสลัดกิเลสมันพาให้สลัดให้สลัดสลัดให้ทำหลุดออกไปแล้วเกกกิเลมันก็ครองแทนครองเป็นควานแทน บังคับบัญชาเหมือนเหมือนบังคับช้างบังคับควานควาใจเราดูไปข้างนอกเนี่ยมันไม่มีอะไรเจริญหูเจริญตาเจริญใจไม่มีอะไรเป็นกาลังจิตกำลังใจไม่มีอะไรเป็นน้ำจิตน้าใจไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องมาส่งเสริมให้เรามีเรี่ยวมีแรงมันมีแต่จะพาเราลบ ลบให้ลืมให้เลือนให้ลางให้จางจับข้อวัดปฏิบัติปฏิปทาลืมไปเรื่อยลืมไปเรื่อยจางไปเรื่อยจางไปเรื่อยจางไปเรื่อยจนโลกนี้ไม่เป็นตัอยู่เร่าร้อนไปหมดไม่รู้จะเอาใจไปฝากไว้กับตรงไหนมันพอจะชุ่มเย็นมันฝากไม่ได้ลืมตัวนับภาวนาเราลืมตัวก็เช่นนั้นแหละ ไปไปมามาว่าไม่เป็นตอยูแลหละเดือดร้อนวุ่นวายเห็นเป็นอย่างอื่นเห็นผิดเป็นชอบเห็นผิดเป็นถูกเห็นผิดเป็นชอบชอบตามใจชอบอปแตามใจชอบที่กิเลสมันบอกว่าน่าชอบนั่นน่ะน่าชอบน่ารักน่าติดอกติดใจกิเลมันเสกมันเป่าให้เราชอบไปอย่างั้นนิยมไปอย่างั้น เวลาจะเอามาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นผลประโยชน์เข้าสู่จิตใจจริงๆไม่มีอะไรเราเปล่าส้างเปล่ามือเปล่าเสียเวลาเปล่าเสียความนึกความคิดเปล่าวันคืนล่วงไปมาสรุปผลรายได้เปล่ามือเปล่าไม่มีอะไรเราพิจารณาให้ดีเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นอย้าให้เป็นเช่นนั้น วันคืนล่วงไปเราต้องได้มันไม่ได้อะไรมันอยู่แต่พุทโธกับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่นั่นเดินก็พุทโธนั่งกับพุทโธยืนก็พุทโธทําอะไรก็พุทโธทาอะไรก็ตามไม่ลืมพุทโธไม่ลืมพุทโธไม่ลืมตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวถ้าลืมเนื้อลืมตัวแล้วมันด้าน มันด้านพอมเริ่มด้านแลม้มาเริ่มดือ้อพอมันดื้อแล้วก็มันด้านใจมันดื้อใจมันด้านไอด้ดื้อด้ด้านด้านมันรวมมันรวมไปถึงว่าเมื่อดเมื ด, มดทึบทบึมันไม่มีความทองใสไม่มีความสว่างสวยไม่มีอะไรเป็นที่เย็ยนอกเ ย, ยนใจไม่มีอะไรเป็นที่เป็นเครื่องชุ่มช่าในหัวใจไม่มี ดูเถอะเราดูผลรายได้เข้าสู่หัวใจของเรามีอะไรบ้างพระยาข้อวัดปฏิบัติปฏิปทานจึงเป็นเครื่องที่เราควรส่งไว้ทรงไว้ให้สม่ําเสมอส่งไว้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทรงไว้ให้ได้ระดับสม่ําเสมอไม่งั้นเราลืมตัว ลืมตัวลืมเป็นลืมตายก็เพลิดเพลินนั่นแหละนี่เพลินไปในโลกในสงสารนั่นแหละลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายอะรวมไปถึงลืมตัวลืมตนลืมข้อวัดลืมปฏิบัติลืมสํารวมรักษากายสํารวมรักษาวาจาสํารวมรักษาใจลืมข้ออัดข้อธรรมลืมบทกรรมฐานลืมแม้กระทั่งคําว่าพุทโธพุทโธ วันทั้งวันไม่มีคําว่าพุดโธติด จ, จิตใจเลยเราจะมีผลรายได้อะไรเข้าสู่จิตใจไม่มีเราเปล่าตอนขํามาก็มานั่งสรุปผลประโยชน์ได้อะไรบ้างเราเปล่าก็อยู่ไปวันๆหนึ่งไม่มีอะไรไม่มีผลรายได้อะไรจะเจริญง้อเงยง้อ ง, ง, อ ง, ง, อ ง, งามในหัวใจไม่มีแทนที่จะกําหนดย้อนเข้ามา ที่หัวใจของเราได้รับความแนบแน่นสงบนิ่งดิ่งชุ่มเย็นในหัวใจมันไม่มีแหละถ้าเราปล่อยแล้วมันไม่มีปีตรงปีติความอิ่มเอิบภายในหัวใจที่เราเคยได้บ้างอะไรบ้างปีติความสุขใจอะไรที่เราเคยได้รับจากความสงบสงัดอะไรอยู่บ้างมันก็จำไม่อยู่ล่ะ เหือดแห้งหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ละหายไปหมดละลือไปหมดทิ้งไปหมดสิ่งที่สิ่งที่เราได้แล้วเนี่ยเราทอดทิ้งอีกมันน่าเสียดายมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทอดทิ้งมันก็ไม่อยู่เหมือนกันแต่ถ้าเรารักษาไว้ภาวนาประทาน อนุรักษณาประธานภาวนาประธานนี่คือทำเรื่อยๆทาบ่อยๆทํ า, ทานึง่งเนืองทำให้เกิดเมื่อเกิดมีผลแล้วก็รักษาไว้อนุรักษณาอนุรักษณาประธานอนุรักษณาประธานรักษาผลที่เกิดขึ้นมีขึ้นรักษาระดับเอาไว้พอย่อนจิตเข้าสู่ความสงบจะบริกรรมพุโทโธก็ตามจะ ก, กําหนดอาณาปานสติก็ตาม จะกำหนดมหาจิติปรฐานข้อใดข้อหนึ่งก็ตามเรากำหนดย้อนมาปั๊บมันเข้าล็อกเดิมมันกิจมันก็มีพื้นมีฐานอยู่เราจะจับงานส่วนใดมาทำจับงานส่วนไหนมาพิจารณาก็จับมาเลยแหละมันไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายจับอยู่แค่ไหนระดับไหนขั้นไหนจับไปเลยทาไปเลย ไม่ใช่ว่าทําถึงตรงนั้นแล้วจับตรงนั้นต่อไปจับนิดต่อจากวันก่อนอีกจับตรงนั้นต่อจากวันก่อนอีกไม่ใช่ดูแต่ความแนบแนบภายในหัวใจของเราอยู่ตรงไหนกําหนดมาปั๊บจับตรงนั้นเลยทําขึ้นใหม่จับขึ้นใหม่จับขึ้นใหม่จับขึ้นใหม่มันจะไปยังไงมันก็ต่อเนื่องจะต่อเนื่องไปข้างหน้าไปข้างหลังจะวกวนอยู่ข้างๆรอบข้างตรงนั้นจะเป็นย้ําไปย้ามาอยู่ ตรงของเก่าตรงหลักเก่าตรงนั้นหละไม่งั้นเราก็เดินเป็นเรื่องของปริญติไปทั้งหมดโง้วันก่อนพิจารณามาถึงนั้นวันนี้จะพิจารณาต่อจะนั้นไปถึงนั้นเราจะพิจารณาจะนั้นไปถึงนั้นพิจารณาต่อจะนั้นไปถึงนั้นถ้าเราตั้งกําหนดแบบนี้มันเป็นเรื่องของปฏิญติปริยัติพอเราย้อนมาปรับดูผลที่ใจของเราเราก็จับผลตรงนั้นต่อขึ้นไปเลย มันจะไปหน้ามาหลังมันจะไปยังไงก็แล้วแต่จับเกาะอยู่ตรงนั้นน่ะแนบแน่นอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ปล่อยเช่นอย่างเราย้อนมาเราก็เห็นความสงบภายในหัวใจของเราดิง่งสงบอยู่ดิ่งอยู่ปริกรรมพุทธโธอยู่หรือกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเห็นหายใจเข้าอยู่เห็นหายใจออกอยู่หายใจเข้าพุทอยู่หายใจออกโธอยู่ เข้าพุดออกโทรเข้าพุดออกโทเข้าพูดออกโทงานตอนนี้เป็นงานเป็นงานแบบอย่างแต่ถ้าเราทําให้เกิดให้มีขึ้นในใจของเราเนี่ยมันก็คล่องอยู่ข้างในเนี่นะมันคล่องอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยมันก็มาจากงานแบบอย่างเราทําตามแบบตามอย่างพอเราทํามาแล้วทําไปทําไปทําไปผลที่แปลกประหลาดอัศจรรย์มันจะเกิดขึ้นจากแบบอย่างนี่แหละ จากตัวอย่างที่เราทํานี่แหลอะอมันจะเกิดขึ้นไม่เหมือนกันวันก่อนไม่เหมือนวันนี้ อ, อหรือวันหรือคราวนี้ไม่เหมือนคราวก่อนไม่เหมือนตอนเช้าไม่เหมือนตอนกลางวันไม่เหมือนตอนกลางคืนไม่เหมือนตอนวันก่อนๆที่ผ่านมามันไม่เหมือนอะไรยังไงก็จับอยู่ไม่ปล่อยนี่แหละมันจะเป็นอะไรสติกําหนดหยดจออยู่สำเรชาญญาัญยะ ควบคุมกนดจดจออยู่มีสติอยู่มีปัญญาอยู่พิจารณาอยู่เดินอยู่วนอยู่ข้างในแหละอัดเข้าไปอยู่ข้างในนี่แหละเป็นตะปะแผ่เผากิเลสอยู่ในหัวใจนี่แหละเอาสติเอาสามปัญญามามัดใจอยู่นี่แหละไม่มันดีดมันดิ้นไปไหนนี่ตามต้อนมันอยู่นี่แหละมันจะไปไหนทําอยู่ในแวดวงนี้ไม่ก็ไม่ผิดตรอ อยู่ในแวดวงนี้แหละแต่มันให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวมีสติมีสัมปชัญญะอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวไม่ใช่นึกคิดล่องลอยเลื่อยเปลื่ยไปไม่มีความรู้ตัวสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตั ว, ญญ ว, ต, วต้องมีกำกับอยู่ทุกระยะมีสองอย่างนี้กำกับอยู่ทุกระยะกรมกันประชาสัมพันธ์ก กลายเป็นกลายเป็นปัญญาเราจะก้าวหน้าจะถอยหลังจะวนซ้ายจะวนขวาจะพลิกหน้าพลิกหลังจะซอกแซกชอนชัยหาเงื่อนงำตรงนั้นตรงนี้มันก็ไปจับตรงนี้แหละมันก็ไปจับตรงนี้แหละจับอะไรไม่ถนัดจับมาที่ผู้รู้สึกนี่แหละมันรู้สึกอะไรก็จับมานนั่นแหละมันรู้สึกอะไรก็จับมานั่นแหละจับดูความเปลี่ยนแ ป, ปลงของมันอะ มันอยู่คงที่ไหมไอ้ที่เราจับไว้เนี่ยเราจับไว้แล้วเราคอยดูมันมันไม่คงที่ดูความเปลี่ยนแปลงของมันความเปลี่ยนแปลงของกายความเปลี่ยนแปลงของใจในที่สุดดูความเปลี่ยนแปลงของใจมีสติตามกากับรู้ทันทันอะไรทันใจที่มันจะโดดไปนู่นจะโดดไปนี้ มีสติทันมันก็อยู่กำกับอยู่รู้อยู่ดูความเปลี่ยนแปลงของมันอยู่กำหนดให้มันนิ่งดูกาหนดให้มันคงที่ดูกำหนดให้มันเที่ยงดูมันเที่ยงไหมตามที่เรากำหนดมันเที่ยงไหมลองดูให้มันเที่ยงลองดูดูมันเที่ยงไหมเราดูให้มันเที่ยง เรากำหนดดูแล้วเราจะรู้ว่ามันเป็นอะไรมันจะเที่ยงหรือมันจะไม่เที่ยงเรากำหนดดูระวังจิตที่มันเกาะอารมณ์เนี่ยถ้าเราเอาอุบายวิธีนี้มากากับแม้แต่เราใช้ในบทของสมสถะเพื่อจิตสงบอยู่กับอารมณ์เดียวเราก็ทันมันได้เราจะพิจารณาแยกแยะระวังจิตกับอารมณ์ก็ตาม อารมณ์ภายนอกกายเราก็ตามอารมณ์ในกายเราเขาตามอารมณ์อื่นเราดูไม่ค่อยชัดเราดูมาอารมณ์ที่เป็นลมลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกกำหนดดูดไปพิจารณาไปให้มันอยู่กับอันนี้จับมันอยู่กันนี้มัดมันอยู่กันนี้ อ, อญญัดให้มันอยู่กันนี้เอาสติเอาปัญญามัดให้มันอยู่กับอันนี้นี่งานเป็นงานในภายในถูไปไถมาถูไถถูไถถูไ ถ, ถ, ถจน เป็นการถูไยกับถูถจนไฟลุกขึ้นมาถ้าเป็นการเอาไม้ถูไฟกับถูถู ถ, ถูเอาความเียนถูจนไฟลุกขึ้นมาพ้นที่เราทําแต่ละครั้งแต่ละครั้งจะเป็นช่วงเช้ากันตามช่วงไหนกันตามที่เราเริ่มทําเราพยายามจับตรงนี้ถจูจนจนทําให้เกิดความแปลกประหลาดสิจย์ขึ้นเป็นครั้งเป็นครั้งเป็นครั้งไป ถ้ายัางไม่ได้อัดความอัศจรรย์เป็นครั้งเป็นครั้งเราจะไม่เลิกเดินก็ตามนั่งก็ตามเราจะไม่เลิกเราหมุนมาตรงนี้เราทํางานตรงนี้ภาวนาเป็นการมาขัดเกลี่ยห้องใจใจขัดใจของเราที่มืดมืดดำดำเลยมืดมืดทึบทึบเนี่ยให้มันค่อยคใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้น มันพอจะเป็นเป็นตัวของตัวบ้างคือใจจะเป็นตัวของตัวมันไม่ถูกกิเลสดึงไปทั้งหมดพอจะเป็นใจที่เริ่มดีเริ่มดีเริ่มโดดเริ่มเด่นเริ่ ม, Nerd, มสว่างสวัยขึ้นมาแล้วแหละะรู้อะไรเป็นเหตุเป็นผลไปหมดพอมันเริ่มรู้เรื่อง ร, รู้ ร, ราวรู้อะไรเป็นเหตุเป็นผลไปหมดทําอะไรมันจะละเอียดละอนไปหมดเพราะมันละเอียดออนไปจากข้างในอารมณ์ข้างใ น, น, น ถ้าใจเราละเอียดอะตาเราก็ละเอียดนะดูนู้นดูนี้ดูอะไรก็คือเอาใจดูตาดูอยู่แต่ว่าสําเร็จที่ใจมันละเอียดที่ใจแต่ถ้าหาใจหยาบหยาบตาดูยังไงไมันยังหยาบอยู่นั่นแหละถ้าเราละเอียดไปจากข้างในข้างนอกมันก็จะเริ่มละเอียด นอกจากว่าเราจะมีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเราจะเอาแค่ไหนขั้นไหนระดับไหนเท่านั้นเองตั้งใจภาวนาให้ได้รับความสงบมันเป็นการพัฒนาใจของเรามันเป็นการพัฒนาจิตของมนุษย์เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งจิตใจของเราจะเจริญเองไม่ได้ แต่ถ้าจะปล่อยให้เขาเสื่อมเองเนี่ยเสื่อมได้เพราะอะไรเพราะกิเลสมันพาเสื่อมกิเลสมันมีประจำใจอยู่แล้วแต่ธรรมะมันไม่ค่อยมีประจําใจธรรมะมันเป็นยาที่แสลงกับกิเลส ม, มันเป็นเครื่องแสลงมันเป็นของแสลงกับกิเลสที่อยู่ข้างในอยู่ในในใจอะความชอบใจความไม่ชอบใจความชอบความชัง ความรักความชังเนี่ยแหละที่มีอยู่ในใจของเราเนี่ยกิเลสมันพาเรารักกิเลสมันพาเราชังมันพาเรารักมันก็ป้อนข้อมูลให้เราเข้าใจผิดสําคัญผิดเห็นว่าเป็นสวยเห็นว่าเป็นงามเห็นว่าเป็นน่ารักเป็นว่าเห็นเป็นว่าน่าชอบใจน่ากําหนัดน่า ย, ยินดีเนี่ยข้อมูลมันป้อนให้เราให้เราเข้าใจตามมันแบบผิดผิดนี่คือกิเลมันป้อนนะ กิเลมัน้อนเราไม่ต้องไปเสริมแปะไล่มันแล้วแหละมันเป็นตามหลักธรรมชาติของมันเองเนื่องจากว่าใจของเรามีกิเลสทีนี้ถ้าเราเอาธรรมมาจำกับเราเอาธรรมมาจำกับเราพยายามดูความจริงดูความจริงให้ปรากฏดูความจริงให้เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจตามหลักความเป็นจริงเราก็ไม่พ้นกิเลมันหรอกะร้อยเรามี จนเกิดอารมณ์รักขึ้นมาจนโกรธเกิดอารมณ์ชั่งขึ้นมาคือที่มันไม่ชอบใจเนี่ยมันไม่ชอบใจมันก็ไม่ติดอกติดใจมันก็ผลักมันก็ใส่ที่เรเรียกว่าชั่งถ้าไม่รักมันก็ชั่งถ้าไม่ชั่งมันก็รักอารมณ์รักก็ตามเป็นอารมณ์ที่กิเลมันหลอกเข้ามาในหัวใจของเราเวลาใจเราเกิดความความรักเนี่ย เราย้อนดูไปย้อนย้อนดูไปเพื่อให้เห็นเห็นเหตุของมันที่ใจมันป้อนยังไงมันป้อนอะไรเข้ามาอ่มันมันมันมันกระซิบกระซาบเราว่าไงเรามันว่าอะไรสวยมันว่าอะไรงามเราพยายามดูให้ชัดพยายามเอาสติปัญญาดูตามมันดูให้มันชัดดูให้มันชัดชัดการที่เราพยายามตามดูให้มันชัดเนี่ยเราจะเห็นความจริง ถ้าเราไม่ย้อนมาดูถ้าเราไม่ดูถ้าเราไม่ตามดูเราจะไม่เห็นความจริงเมื่อเราไม่เห็นความจริงเราก็ติดกับอารมณ์ที่มันหลอกนั่นแหละเราว่าสวยเราว่างามเราลองถามดูว่าอะไรสวยลองถามดูว่าอะไรงามเราลองถามดูนี่เป็นอุบายเป็นวิธีที่จะทำให้เราเข้าถึงหลักของสัจจธรรมสัจจธรรมสัจจธรรมคือร่างกายอัตภาพร่างกาย ผู้หญิงผู้ชายของเราเนี่ยอัตภาพร่างกายสมมติว่าเป็นผู้หญิงสมมติว่าเป็นผู้ชายเราก็หลงในรูปผู้หญิงหลงในรูปผู้ชายหลงในสมมติที่เรียกว่าเป็นตัวเป็นตนเรามีความลุ่มหลงความลุ่มหลงกับความรักกับความพอใจกับความเยินดีกับความยินร้ายกับความลุ่มหลงกับความงอกกับความมืดความทึบ ความไม่รู้จักเหตุปัจจัยที่ละเอียดละ อ, อ่ที่แน่นอนก็คืออันเดียวกันนะั่นแหละมันเป็นอันเดียวกันนี่เราไม่เห็นอัดไม่เห็นธรรมก็เพราะว่าเราไม่ค่อยจะย้อนมาดูไม่ค่อยจะตามดูว่าคืออะไรอารมณ์ของธรรมอะไรเป็นอารมณ์ของธรรมอะไรเป็นอารมณ์ของกิเลสหนักๆเข้าก็เลยบางทีทั้งๆ ท, ที่เราตั้งใจเดินอยู่กรงหรือไม่ก็นัน่งภาวนาแทนที่จะเป็นเอาอารมณ์ธรรม มาทำงานกลับเป็นอาอารมณ์กิเลสมาทำงานวันเวลาล่วงไปเราไม่ได้อะไรวันเวลาล่วงไปเราก็ไม่ได้ได้อะไรคือไม่ได้อัดไม่ได้ทำแต่ได้แต่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นผลผลของกิเลสบางทีอารมณ์เป็นเหตุให้ให้เกิดความขัดข้องหมองใจเรื่องความโกรธปฏิฆะขัดใจขัดข้องใจไม่ชอบใจไม่พอใจคิดคิคิดจนอารมณ์เกิดขึ้นรุนแรง บางทีอารมณ์ที่น่ายินดีน่าพอใจที่คีจนเกิดอารมณ์ที่รุนแรงขึ้นมากลับเป็นความรักที่รุนแรงขึ้นมากลับเป็นความกำหนัดกลับเป็นความยินดีที่รุนแรงขึ้นมาที่หัวใจนี่คือคือเราตามมันไม่ทันเราตามมันไม่ทันเพราะฉะนั้นบางช่วงในเมื่อเราตามไม่ทัน เราก็ถอยกลับมาจับอยู่กับอารมณ์เดียวซะก่อนให้จิตมันสงบเป็นการชะลอตัวเป็นการชะลอตัวเป็นการยับยั้งตัวเป็นการชะลอตัวภาวนาใจสงบซะก่อนพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธสงบซะก่อนตามความรู้สึกอยู่กับนี้แหละอยู่กับอารมณ์เดียวนี่แหละไม่ต้องไปแยกแยะไม่ต้องไปตามมันแหละให้มันสงบอยู่กับอารมณ์เดียวนี่ซะก่อน เอาอย่างนั้นแหละไม่ปล่อยจับคําว่าพุโทโธไม่ปล่อยท่องจนคล่องพุโทโธพุโทโธพุทโธรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับคําว่าพุโทโธนะจนมันไม่มีช่องจนใจมันไม่มีช่องจิตไม่มีช่องไม่มีช่องที่มันจะนึกจะคิดไปเรื่องอื่นเรื่องกิเลสเรื่องตัณหาเรื่องราคะเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ย มันปรุงไม่ได้นะัมันนึกไม่ได้มันคิดไม่ได้เพราะเรามาปรุงแล้วเราเราตั้งใจเจตนาปรุงแล้วนึกแล้วคิดแล้วนึกคิดปรุงคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธคำกลับด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกด้วยยิ่งดีรูปปัทธรรมกับนามธรรมาทํางานสัมผัสัมพันธ์กันลมนี่เป็นรูปปัทธรรม คำว่าพุทโธดํริจาก จ, จ enfin ิตจิตเป็นนามธรรมพุทโธพุทโธเป็นการดําริของจิตเป็นการยกจิตขึ้นเป็นการดัมริของจิตเป็นการตั้งเจตนาที่จิตเจตนาว่าอย่างไงเจตนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธกำกับด้วยลมก็ลมหายใจเข้าว่าพุทลมหายใจออกว่าโธถ้าเราจับลมหายใจเรา เราจับไม่ทันใจเราจับแล้วไม่ทันใจแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธแต่ต้องอยู่ใจต้องอยู่ไม่ใช่พุโทโธแต่ปากไม่ใช่พุโทโธแต่นึกคิดเฉยๆพุโทโธแบบแบบจางๆเรือนลางจางแล้วก็ไปเด่นที่อื่นแบบนั้นไม่ใช่ไม่อยู่ไม่สงบเอากี่ยกกี่ยกแล้วก็เอา เอาไปสักสิบนาทีรู้สึกว่าละเอียดสงบพอสมควรนึงก็ขยับถอยกลับมาจับต่อเข้าไปอีกพุทธเข้าไปอีกพุทธพุทธพุท ธ, ทธห้านาทีสิบนาทีไปอีกมันขยับตัวถอยมาอีกจับเอาไปอีกอยู่อย่างนั้นไม่ปล่อยมันจะห้ายกสิบยกกี่ยกกระช่างมาันะมันจะเป็นท่าทีลักษณะที่พูนนี้แหละ เอาให้มันได้สักครึ่งครึ่งชั่วโมงต่อเนื่องกันพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้ใจมันต่อเนื่องกันให้สติสัมปชัญญะกำกับจิตให้มันอยู่กับคำว่าพุทโธมันต่อเนื่องกันไปสักครึ่งชั่วโมงเอาจนมันอิ่มพอเราทำไปทำไปทำไปแล้วมันจะอิ่มความอิ่มนี้ท่านเรียกว่าปีติปีติแปลว่าความอิ่มมันอิ่มนะลองทำไปให้ให้เต็มที่เต็มไปให้จริงจริงจังเข้ามันจะอิ่ม ความอิ่มนี้เขเรียกว่าปีติปีติแปล ว, ว่าความอิ่มอิ่มกายอิ่มใจกายนี่ก็อิ่มเหมือนกับเต็มท้องอึง้งตึ้งอยู่นั่นน่ะวางรออยู่ข้างในนะี่อิ่มความสุขมีปีติแล้วก็มีความสุขมีความอิ่มเ อ, อิบใจก็อยู่แบบนี้ใจก็อยู่ตื่นตื่นอยู่กับเนื้อกับตัวตื่นตื่น อ, อยู่ตื่นตื่นเหมือนกับว่า ตัวเราเนี่แ พ, พว์เปล่าไปด้วยผู้รู้แพรพวพเปล่าไปด้วยผู้รู้มาเกาะมากลุ่มา ม, มาปกมาป้องมาปิดมาบาังกายของเราเนี่ยเหมือนกับแพรพวพเปล่าสว่างสวัยไปด้วยผู้รู้น่เนื่องจากว่ า, วาสติสัมปชัญญะมันมากำกับมันรู้ตัวทั่วพร้อมบางทีดูเหมือนสว่างสวัยมีเป็นความสงบสงบ สงบจนทิ้งคำบริกรรมทิ้งคำบริกรรมมันก็อยู่มันไม่ไปไหนนี่แสดง ว, ว่ามันอิ่มคุยจิตมันสงบมันจะสงบละเอียดลึกไปขนาดไหนก็ตามพอมันหมดช่วงหมดวาระมันมันก็ขยับตัวอเพราะขยับตัวออกมาเราต้องการให้สงบอีกเราก็บริกรรมเข้าไปอีกภาวนาเข้าไปอีกมันขยับออกมาอีกบริกรรมเข้าไปอีกเออพอสมควรแล้วสองวาระสาวาระ ตอนนี้เราจะจับมาคลี่คลายมาพิจารณาบ้างหละตอนนี้นี่จะเรียกว่าใช้สมสถะพอได้สมสถะมีกําลังทางด้านสมสถะแล้วก็มาใช้วิปัสสนาคือมาพิจารณามาพิจารณาตามพิจารณาอารมณ์ของจิตมันละเอียดนะทําทําจับให้มันได้จับให้มันได้ทําให้มันเป็น ถ้ายังจับไม่ได้ถ้ายังทําไม่เปลี่ยนยังสับสนอยู่มันก็ลําบากอยู่นะการที่เราจะจับนูนจะจับนี้มาพิจารณานีมันลําบากอยู่อมันจะยังไงก็ตามก็ตามมันเอให้มันอยู่กับความสงบซะก่อนให้มันสงบอยู่กับความสงบซะก่อนหากสงบมากๆเข้าเนี่ยบรรดาสัจจะธรรมทั้งหลายที่จะมาโผล่ให้เราพิจารณาเนอะืย มันมันไวต่อสัจธรรมทุกอย่างมันจะเริ่มคือความจริงมันจะเริ่มปรากฏความจริงก็คืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนั่นเองมันไม่แช่มันไม่ใช่อารมณ์ของกิเลสมันเป็นอารมณ์ของความจริงมันมาปรากฏเมื่อมันมาปรากฏเราก็จับอเช่นอย่างเราจับความเปลี่ยนแปลงของลมก็ได้ลมเข้าเข้าไปแล้วก็ออกมา อ, อกมแล้วแล้วก็ดูที่ใจของเราใจมันก็บดรู้ลมเข้ากบรรลุลมออกกบรรู้ลมเข้ารรลุลมออกอันนี้มันก็เป็นวิปัสสนาวิปัสสนามันก็ไปจากการนึกการคิดการจับการทำแบบนี้แหละมันยังเป็นเหตุอยู่มันยังไม่ใช่เป็นผลเราทำไปจนปรากฏผล จนปรากฏผลเป็นวิปัสนาญาณจนปรากฏผลเป็นวิปัสนาปัญญาปัญญาจากการบริกรรมมันหากแปลกประลาดอสิจนในใจของเราเราทำเราทำอย่างนี้พิจารณาไปพิจารณาไปพิจารณาไปเราจะกำหนดอะไรกาหนดเกิดกาหนดดับกาหนดอนิจจัง กำหนดอะไรก็ตามแต่มีสติมีสัมผชัญยักกำกับอยู่พร้อมอยู่ในนี้เพราะว่าสมาธิแนบแน่นมันเป็นกําลังที่เราอัดเข้าไปแล้วนี่เราก็จะมาใช้พิจารณาพิจารณาไปพิจารณาไปมันชักเรือนเรือนลางลางจังจางจืดจืดชืดชืดแล้วก็มาบริกรรมใหม่เราก็จับอยู่อย่างนี้แหละออันนี้เป็นเป็นจุดเริ่มต้นเป็นบาตเป็นฐาน ถ้าบาดฐานตรงนี้เรายังไม่เข้าใจเรายังไม่แจ่มแจ้งเราทายังไม่เป็นมันก็ลำบากอยู่นะเราก็เป็นนึกไปคาดไปคิดไปเดาหนักๆเข้าวันๆก็อยู่แต่กับสัญญาอารมณ์ไปทั้งหมดความจริงที่เป็นสัจธรรมไม่ปรากฏที่จิตผลที่จะปรากฏแจ่มแจ้งชัดเจนในหัวใจของเรามันก็เกิดขึ้นไม่ได้เนื่องจากว่าเราเราทายังไม่ถึงเราขุดยังไม่ถึงเราเปิดยังไม่ถึง อาจจะเปิดชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามมันอาจจะอยู่ชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกเราเปิดยังไม่ถึงมันเปิดไม่ถึงคือเข้าสู่สัจจสัจธรรมยังไม่ถึงสัจธรรมยังไม่ปรากฏที่ใจแต่ถ้าสัจธรรมปรากฏที่ใจเราก็ดูต่อเนื่องไปธรรมะความแนบแน่นความละเอียดลึกซึ้งความรู้เท่าทันต่ออารมณ์ของกิเลส ที่จะพึงมาม า, มาพึงมามาพึงยึดเอาถือเอาอ่ะว่าอันนั้นเป็นเราอันนั้นเป็นของของเราว่าอันนั้นน่ารักอันน้น่าชังน่าอะไรต่ออะไรเราจะเห็นว่ามันจะออกมาสแสดงรดหลายให้เราเห็นแหละตอนนี้มันจะออกมาแสดงรุนแรงใเราเห็นเห็นยังไงเราก็จับเห็นยังไงเราก็จับจนได้ผลผลแปลกในหัวใจของเรามันก็ได้กําลังใจไป เราจับอยู่ตรงนี้แหละเวลามันเกิดแล้วมันจะวิจีพิสดารเข้าไปเองนี่คือภาวนาเป็นการชำระใจเราหลับตาอยู่แต่ว่าข้างในของเราเนี่สว่างสวายอยู่มันมืดโดยตาก็จริงอยู่แต่ว่าปัญญาเราสว่างมันสว่างข้างในมันสว่างข้างในหลับตาอยู่แต่ว่ามันสว่างข้างใน สว่างแค่ไหนพระใจม az, ันอยู่ใจมันอยู่มันตามต้อนอารมณ์อยู่มันเกาะกุมอารมณ์อยู่มันเกี่ยวข้องกับอารมณ์อยู่มันตามกำหนดจดจ่ออยู่เห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ความเปลี่ยนแปลงนี้แล้วแล้วแล้วแต่เราจะน้อมใส่เราจะน้อมใส่กายดูความเปลี่ยนแปลงของกายเราจะน้อมใส่เวทนาเวทนามันก็เปลี่ยนแปลงน้อมใส่ใจ การที่เรานอกมาใสา่ใจมันก็เป็นเวทนาจิตตานุปัสนาตามการหมดจดจอพิจารณาใจตามดูใจตามดูใจดูความเปลี่ยนแปลงของใจดูความเปลี่ยนแปลงของใจใจมันเปลี่ยนแปลงยังไงใจมันมาเกี่ยวข้องกับอารมณ์แล้วมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนยินดีเปลี่ยนไม่ยินดี เปลี่ยนเฉยๆเปลี่ยนมาเป็นเฉยๆเปลี่ยนมาเป็นราคะในหลักท่านบอกว่าดูมาที่ใจดูว่าเห็นใจตอนนี้ใจเป็นสภาพของใจเป็นยังไงใจมีราคะท่านให้รู้ว่าใจมีราคะใจหมดราคะคำว่าหมดในที่นี้มันไม่ใช่ว่าหมดหมดเป็นพระสกิตาคาพระนาคาไม่ใช่ คือมันหมดในขณะในการทำงานของเราเนี่ยมันยังไม่ตัดขาดจากอุปาทานทั้งหมดแต่ด้วยเหตุที่สติปัญญาของเรามีเพราะเรากำหนดจดจ่อไปแล้วมันก็หมดมันหายไปใจของเรามีราคะคำว่าราคะคือความกำหนับความกำหนัดทางใจความกำหนัดทางใจก็คือความชอบของใจนะใจมันชอบ ใจมีราคะท่านก็นกเพียงให้เรากำหนดรู้ว่าใจมีราคะเท่านั้นมันมีราคะอยู่มีราคะอยู่มีราคะอยู่มีราคะอยู่ราคะเป็นเลยเป็นอย่างอื่นไปถ้าเรามากําหนดจดจ่อดูอย่างนี้ราคะมันเลยเป็นอย่างอื่นไปแต่พูดดูด้วยสติด้วยปัญญาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอารมณ์ของกิเลส ที่มันแทรกเข้ามาแล้วมันมันทําให้ใจของเราเป็นราคะเนี่ยพอเรารู้เราพอเรารู้ทันมันมันก็มันก็เหือดไปหายไปมันจางไปนะจักจางไปไหนดูใหเห็นมันจางไปไหนจางไปไหนก็ช่างมันแหละพอเรากหมดปั๊บมันก็พอเห็นมันปั๊บมันก็จางไปท่านท่านบอกไว้ให้ดูใจมีราคะก็ให้รู้รู้ทันว่าใจมีราคะใจหมดราคะ ก็ให้มูรู้ว่าใจหมดราคะใจมีโทสะก็ให้รู้ว่าใจมีโทสะโทสะก็ ค, คือความไม่ชอบใจความไม่พอใจราคะความชอบใจความกำหนัดยินดีราคะความกำหนัดเราดูความกำหนัดที่กายของเราความที่ความกำหนัดที่กายของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะเราก็รู้รู้กันแหละคําพูดคําว่าความกำหนัดเนี่ย เรารู้กันมันกำลัดทางกายกำลัดทางกายอย่างหนึ่งกำลัดทางใจอีกอย่างหนึ่งราคะคือความกำลัดความกำนัดที่ใจความกำนัดที่ใจเราดูไปตรงไหนทำไมเราจะรู้ว่ามันกำนัดเราดูไปที่ความอยากของใจใจมันอยากใจมันชอบมันเป็นอารมณ์อะไรไม่รู้เราจะใช้คาพูดยังไงถึงจะถูก เราดูไปที่ใจของเราใจมีราคะเนีทีนี้ในเมื่อเรารู้ทันมาว่ามันมีราคาเนี่ยมันก็หยุดคล้ายๆก็ว่าขณะของจิตขณะนั้นอ่ะมันดับไปขณะของจิตขณะใหม่ที่เรารู้ทันมันอ่ะมันขึ้นมาแทนคล้ายๆก็ว่ากิเลสช่วงนั้นเนี่ยทังงับไปธรรมะขึ้นมาแทนแหละสติธรรมปัญญาธรรมมันขึ้นมาแทน แล้วก็ดูไปกำหนดไปดูไปจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตหมดโทสะก็รู้ว่าหมดโทสะราคาก็ตามโทสะก็ตามพอเราเห็นหน้าเห็นตามันปั๊บมันก็ดับราคาก็ตามโทสะก็ตามพอเราเห็นหน้าเห็นตามันปั๊บมันก็ดับดูสิมันดับไปแล้วมันไปอยู่ที่ไหนมันดับยังไงดูให้เห็น อจิตฟุ้งซ่านท่านก็รู้จิตฟุ้งให้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านอจิตคิดยังไงก็ให้รู้ว่าคิดอย่างงั้นจิตยินดีให้รู้จิตยินร้ายไห้รู้จิตราคะก็ให้รู้จิตโทสะก็ให้รู้เรื่องโมหะเราไม่ต้องไปดูหรอกโมหะมันเป็นพืชเป็นพื้นอยู่แล้วทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นเรื่องของโมหะทั้งนั้นแหละ เพราะโมหานี่แหละทำให้เราราคะเพราะโมหะทําให้เราโทสะโมหะแปลว่าความรุ่มหลงดูมาแล้วคือความไม่รู้ความไม่เข้าใจความมืดมืดทึบๆความโง่เง่ า, งาสิ่งทั้งหมดนี้รวมลงแล้วทําให้เราทําให้เราไม่ไม่รู้หนา้ารู้ตาทําให้เรากาะกรรมมาไม่รู้ว่าอะไรเป็นพิษอะไรเป็นสงฆ์ไม่รู้กาะกรรมมาทั้งหมด ขอบกำ ม, มันด้วยความรุ่มหลองยึดราคะก็ยึ ด, าายดโทสะก็ยึดนี่ด้วยอำนาจของความรุ่มหลองแต่ถ้าเราดใูให้เห็นตรงนี้นี่มันจะค่อยๆจางไปมันจะค่อยๆเบาไปมันจะเห็นหน้าเห็นตามันไปอันนี้เป็นวิธีการมาพิจรารณาถ้าเราจับตรงนี้ได้เราจับตรงนี้ติดมือเราก็จับตรงนี้หรือเราจะดูเราจะกำหนดดูกาย ไล่ดูอาการสามสิบสองของกายไล่ไปใช้จิตใช้สติใช้สัมผัสัญญะกำหนดไล่ในกายของเราเนี่ยไล่เป็นท่อมเป็นคน้นเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังให้มันเกินมโนภาพเกิมนมโนภาพมโนภาพมันหักขึ้นเองดอกสัญญาตอนนี้มันหักขึ้นเองเราไม่เกตนาะมันขึ้นมันก็ขึ้น แต่ถ้าจิตเราไม่อยู่ก็สักได้ว่าคิดเฉยมันไม่ขึ้นหรอกแต่ถ้าจิตเราอยู่จิตเรามีความสงบเนี่ยมันขึ้นรูปมาที่ผมก็เห็นผมเนี่ยแหละสัญญามันขึ้นเห็นเป็นผมบางทีเห็นเฉพาะผมบางทีก็เห็นทั้งผมเห็นทั้งหัวเห็นอะไรก็แล้วแต่ละกําหนดว่าไปอันนี้มันเป็นงานในภายในทําผิดทําถูกจับอยู่จับไม่อยู่จับได้จับไม่ได้จับอย่างนี้อ่ะเป็นงานที่เราจะต้องทํา มันชุลมุนวุ่นวายกันอยู่อย่างนี้จนะนกว่าจะได้เลื่องได้่าวกำหนดไล่อาการสามสิบสองกีสาโลมานักขาผมขนแล็ฟังจนถึงน้ำหมดำุดน้ด lay, ําขูดกำหนดไล่ไปกำหนดไล่มาเสร็จแล้วก็ไม่ลืมมาดูที่จิตของเรากําหนดดูอะไรก็ตามไม่ลืมย้อนมาดูที่จิตของเรากําหนดดูอะไรก็ตามไม่ลืมย้อนเข้ามาดูที่จิตของเรา นองตาท่านให้พิจารณาเองพิจารณาไปพิจารณาไปมันปวดมากๆเรามาพิจารณาปวดพิจารณาเวทนาเพราะเรานั่งนานๆเราต้องปวดปวดนั่นแหละเป็นเวทนาเวทนานี่เป็นเวทนาห ย, ยาบๆเป็นเวทนาของกายเราก็ดูที่ดูที่ความปวดดูที่ความปวดดูไปที่ลักษณะของมันอาการของมัน เอาใจความมัดของเราเนี่ยจิ้มเข้าไปตรงที่มันปวดน่ะไอ้อความปวดเนี่ยมันเป็นใจไหมใจเราเป็นความปวดไหมถ้าให้ดูเวทนาด้วยแล้วให้ดูจิตด้วยดูจิตแล้วก็ไปดูที่ความปวดถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้เนี่ยเราก็ทนไม่ได้เดี๋ยวเราก็พลิกเดี๋ยวเราก็รือ้อรื้อมันลังทนไม่ได้อืมแล้วนั่งนา น, น, าน มันจะเกิดเวทนาพราะเกิดเวทนาเวทนามัลลุนแรงเนี่ยถ้าเราไม่ดูมันอ่ะมันก็จะรือ้อรือบรรลังแล้วก็มาดูเวทนาทุกขเวทนาดูไปที่ตัวตัวทุกข์ดูไปที่ตั ว, ต ว, ตวเจ็บดูไปที่หัวเขางตัวเจ็บอยู่ตรงไหนอะไรเจ็บถามมันดูกายเจ็บไหมใจเจ็บไหม ผูร้รูคืออะไรคือมันมีงานที่จะต้องทําหลายอย่างถ้าเราเดินมาตรงนี้ได้งานเยอะแยะที่เราจะต้องจับต้องทํากายไม่ได้เจ็บเวทนาเวทนากรสับเวทนาท่านให้ดูเฉยเฉยไม่ให้เราพอใจไม่ให้เรายินดีในเวทนาไม่ให้เรายินร้ายในเวทนาให้ดูเฉยเฉยให้ใช้สติมาดูดูเฉยเฉยสแต่ว่บบาดูเฉยเฉย ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เราก็อาจจะไม่พอใจปวดโอ้ปวดมากแล้วเกินเหลืออดแล้วเกินเหลือทนแล้วเกินเดี๋ยวก็พลิกเดี๋ยวก็เปลี่ยนแ น, น, น่ไม่ทันมันไม่ทันมันคือใจมันไม่ยอมรับยอมรับว่าเวทนาก็สักว่าเวทนาใจก็สักแค่ว่าใจท่านให้ดูอย่างนี้ดูเวทนาเห็นความเกิดขึ้นของเวทนาเห็นความดับไปของเวทนา เวทนาคือความปวดนั่นแหละไม่ต้องไปสงสัยเวทนาคือปวดแล้วนั่งเนี่ยเราปวดเนี่ยอย่าเปลี่ยนเนี่ยนั่งภาวนาอย่าไปเปลี่ยนกันบ่อยดินั่งเปลี่ยนบ่อยเออไม่ต่างนะครับเราไปนั่งเล่นนั่งดูหนังดูละครนั่งอะไรนั่นแหละนั่งเล่นนั่งพูดนั่งคุยนั่งอะไรไปตามเรื่องนั่งภาวนาต้องนั่งจนปวดปวดเท่าไหร่กัน พิจารณาอย่างอื่นไม่อยู่ก็มาพิจารณาความปวดนี่แหละเพราะความปวดมันเป็นสัจธรรมนี่นนพิจารณาความปวดพิจารณาเวทนาพิจารณากายไอ้ตรงที่มันปวดนะปวดตรงไหนปวดตรงตะโพกก็กำหนดไปที่ตรงตะโพกน่ะตะโพกมันปวดไหมเวทนามันปวดไหมตะโพกมันไม่รู้ว่ามันปวดนะ เวทนามันก็ไม่รู้ว่ามันปวดแท้จริงผู้รู้ก็คือใจถามไปที่ใจใจมันปวดไหมลองถามนะลองถามดูที่ใจมันปวดไหมถามลองถามูใช้ความกําหนดจดจ่อที่เยิบเข้าไปถามไปดูที่ใจไปเราหาดได้ความเข้าใจได้ความรู้ได้ความเข้าใจถามดูใจมันปวดไหมอันนี้เป็นมันเป็นมันเป็นลูกเล่นมันเป็นแง่มุม ในการประพฤติปฏิบัติมันเป็นปฏิปทามันเป็นข้อปฏิบัติมันเป็นงานข้างในอันนี้มันเป็นเนื้อหนังของงานนั่นเองเป็นเนื้อหนังของงานข้างในถ้าเราเข้ามาทํางานตรงนี้ได้เราก็สนุกยิ่งเราทําได้เราจับได้เราก็สนุกสักหน่อยหนึ่งเราจะได้จะได้รับผลแปลกตา อ, อัศจรรย์ขึ้นมาที่หัวใจของเราแหละคือได้ทําได้อัดได้ทําขึ้นมา ให้เราเข้าใจเรื่องของหลักของศัจธรรมกายเวทนาจิตมันไม่พ้นนี่แหละแต่วิธีการที่หลวงตาท่านให้พิจารณาท่านให้พิจารณาคราวเดียวกันเลยท่านให้ดูกายแล้วก็ดูไปที่เวทนาแล้วก็ดูมาที่ใจดูที่ใจดูยังไงดูผู้รู้ ผู้รู้รู้ตัวผู้รู้เองกำหนดจดจ่อมาที่ผูร้รู้ลองกำหนดจดจ่อมาดูให้มันระเบิดดูกำหนดจดจ่อมาที่ใจดูกำหนดย้อนไปกำหนดย้อนมากำหนดย้อนมากำหนดย้อนไปมันหากได้ง่ายมันหากได้ยากแต่ว่าอันนี้เป็นวิธีการมันเป็นวิธีทำรร ถ้าเราไม่รู้วิธีทำเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ถ้าเราทำไปแล้วมันเป็นไปเองเนี่ยมันเป็นไปเองหากค่อยๆเป็นไปและเป็นไปเองก็มีก็เป็นครูบาอาจารย์ส่วนมากบ า, บางคนทำเป็นโดยที่ไม่ได้ ม, มีไม่มีใครบอกสอนหรอกทำทำทาแล้วก็เป็นเองอบางทีเราเราฟังท่านสอนเราก็าจำ จำมาแล้วเราก็พิจารณาตามที่ท่านสอนเราก็ทําไปทําไปทําไปทํา ไ, ไ, ไปด้วยเหตุที่เราทํากําหนดจดจ่อทําลงไปนั้นน่ะเวลามันเกิดผลขึ้นมามันอาจจะไม่เกิดเหมือนที่ท่านสอนเราหรอกแต่มันใกล้เคียงกันนั่นแหละแต่พอเรามาสรุปดูข้อสรุปดูความคล้ายกันดูความเหมือนกันดูอะไรเทวอะไรกันเนี่ยเราจะเข้าใจว่าโอ้ อันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนี้มันบอกเราได้เหมือนอย่างที่เรากำหมดโร่อยู่เนี่ยเราจะว่าเราดูกายกระช่ยเราจะว่าเร า, เราดูเวทนาก็ใช่เราจะว่าเราอยู่กับจิตกระช่เรากำหนดใส่อะไรใช่ทั้งหมดมีเป็นการภาวนาเราพิจารณา ทำอยู่อย่างนี้แหละทําไม่ปล่อยทําจนจนได้เหตุได้ผลเราไม่ทําแล้ววันคืนล่วงไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเราทอดทิ้งแบบอย่างเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเป็นกรจิกกรใจที่จะทําให้เราได้ได้อัไดได้ทํานะถ้าเราทอดทิ้งแบบอย่างก็ยอยู่เรื่อยเ ป, ปื่อยไปตามเรื่องตามเราตามตามใจชอบไปวันคืนล่วงไปก็ไม่ได้อะไร อันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทํามันต้องภาวนาคนที่ยังไม่ถึงคาดถึงเวรถึงกรรมหนักหนาสาหัสสาโหดพิจารณาไปชําระไปขัดไปกล่าวไปกลาวไปกล่าวไปดีไปดีไปคืนดีไปจิตใจก็ดีไปสภาพจิตก็ดีไปสุติสัมปชัญญะก็ดีไปจากคนเงอะเงอะงะเนี่ย ก็กลายมาคนกลายมาเป็นคนดีดีกลายเป็นคนจริงจังกลายเป็นคนมีเหตุมีผลกลายเป็นคนมีข้างในสว่างสวยมันมีได้มันเป็นได้เพราะเราขัดเราเกลาวถูกยกเว้นแต่กรรมันหนักหนาสาหาัสแนยมันไปทับท่วมหัวฉิตหัวใจเนี่ยมันดึงเราออกจากงานนี้ จับมันมาทำนมันดึงเราออกจับมันมาทำดึงเราออกจับมาทำมันดึงเราออกซะหน่อยหนึ่งเรากำลังสู้มันไม่ได้มันกำลังมันมีกำลังเป็นร้อยคือกิเลสมันมีกำลังเป็นร้อยเรามีเราธรรมะเรามีกำลังเป็นสิบเราสู้มันไม่ได้พอเราสู้ไปสู้ไปเราสู้มันไม่ไหวเราก็ยกให้มันยอมตายทับถมแผ่นดินไปกับมัน เป็นเนื้อเป็นหนังห้องมันทั้งหมด อ, อยู่ไปวันคืนล่วงไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่คอยตายเฉยๆท่นน่ะดีไม่มีอะไรแต่เราไม่ถึงกับมีบาปมีกรรมหนักหนาสาหาัสสาหดที่จะมาทับท่วมทับถมหัวใจหัวจิต ห, ห, หัวใจของเราเราสามารถทำได้พิจารณาได้อาศัยความพอใจฉันทะ เมื่อมีความพอใจแล้วมันก็มีความภาคความเพียรขึ้นมามีกาิจกระจายขึ้นมามีมีระยะขึ้นมามีความภาคความเพียรในเมื่อเราตั้งความพอใจกับงานใดก็ตามความเพียรที่จะทํางานนั้นมันก็ย่อมมีเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของอิทธิบาทเราจะทิ้งไม่ได้อืเมื่อเราทําความภาคความเพียรเข้าไปความจดจ่อก็มีจิตตะจิตตะคือความจดจ่ จกดจอเพราะว่างานไม่ว่าจะเป็นงานข้างนอกข้างในเมื่อเราทําลงไปแล้วมันก็มีอุปสรรคคาว่าอุปสรรคก็คือปัญหามันขัดมันคล้องมันขวา ง, วางทางการกระทําของเราเราก็ใช้วิมังสาพิจาครณาไคร่ครวญไตรตรองหาเหตุหาปัจจัยเหมือนกับว่ามันมันมาบางังทางเดินของเรามันมาปิดมักกั้นทางเดินของเรา เราไปถึงเราก็ซอกนุ่นซอกนี่สาะ ห, หาทางเดินสาะหาทางออกดึงนู้นดึงนี่เด้งนูงน่นเกิดจนเกิดช่องพอที่เราจะเดินไปได้ออกไปได้ก็สติเกิดปัญญาด้วยความด้วยความพอใจด้วยความเพียรด้วยความจดจ่อด้วยความแก้ไขผลถึงจะตามมาไม่งั้นจะไม่มีผลตามมา เราทำอย่างไรก็ตามเราก็ไม่ลืมงานการที่เป็นหลักเพราะงานการอย่างอืง่นเป็นงานการเพื่อกินเพื่ออยู่ไปวันๆเท่านั้นถ้าเราไม่ภาวนาเราก็ไม่ได้อัดไม่ทำขึ้นมาที่ใจสิ่งเหล่านั้นก็น่าเบื่อหน้าไหนจำเจ อ, อยู่เช้าขึ้นมาหายอยู่หากินสายขึ้นมาหาอยู่หากินเย็นขึ้นมาปรุงแต่เรื่องอยู่เรื่องกินมันหน้าเบื่อหน้าไหน แต่ถ้าเอาเอาเรื่องธรรมะไปจับสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นเครื่องอยู่เพื่อประกอบกับการกับงานที่เป็นอัดเป็นทำสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยของสิ่งเหล่านี้ร่างกายของเราเป็นวัตถุมันยังต้องการธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็ ค, คืออาหารและข้าวปลาอาหารน้ำธาตุพยนาอาหาร ร่างกายมันบกพร่องไปมันต้องการสิ่งต่างๆเหล่านี้ใส่เข้าไปไม่ใส่ข้าวเข้าไปก็ต้องใส่น้ำใส่ไรเข้าไปให้มันมันก็เกือ้อกูลกันอยู่อย่างนี้แหละมันก็เกื้อกูลกันอยู่อย่างนี้เราจะไปทำมิตรเตียนมันก็ไม่ได้เรายังจะต้องอาศัยร่างกายเพื่อประกอบความภาคความเพียรอยู่เราจะไปทำมิตรเตียนก็ไม่ได้แต่ให้เราทำด้วยด้วยความระมัดระวัง ทำด้วยรู้รู้หน้าที่หน้าที่ว่าเราทําเพื่ออะไรเราทําเพื่ออะไรเราขบเราฉันเข้าไปเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อไปบํารุงร่างกายร่างกายมีกําลังวังชาเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อรู้เท่าทานกิเลสเพื่อข้ามจากโทษเกิดแก่เก็บตายไปนีเราก็ต้องอาศัยร่างกายนี่แหละ ร่างกายนี้เป็นเรือเป็นพายจิตใจนี้ก็พยายามทอเรือทอพายแจวเรือแกวพายข้ามจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งนู้นในหะ้ท่านวัฏสงสารเนี่ยเป็นกระแสน้ำเป็นแม่น้ำถ้าเราจะเทียบร่างกายของเราเหมือนกับเรือจิตใจของเราเนี่ย เราอยากจะข้ามวัฏฏะสงสารจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งนู้นฝั่งนาริภานฝั่งไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยเราก็ต้องอาศัยร่างกายนี้เป็นเรือเป็นแพแจวเข้าไปจิตใจก็้ามาใัยร่างกายนี่แหละเหมือนกับร่างกายเป็นเรือเป็นแพแจวเข้าไปเพื่อจะข้ามข้ามวัฏฏะสงสารที่ได้ถ้าเราไม่อาศัยร่างกายเป็นเรือเป็นแพเราจะได้รัเราจะได้อะ อะไรอาศัยเพื่อจะข้ามไปมันไม่มีอะไรเพื่อจะข้ามก็มีความจําเป็นมีความสําคัญอยู่การกินการอยู่การบริโภคการใช้การสอยการปกปักรักษาร่างกายนี้ให้ให้อยู่ตามปกติไม่เจ็บไข้ใดป่วยเพื่อที่จะอาศัยผลประโยชน์จากมันเนี่ยถ้าเราจะเทียบกับเหมือนกับว่าเรือของเราเนี่ยมันอาจจะผุ มันจะเป็นรูทะลุมาอาจจะเป็นอะไรเนี่ยในระหว่างที่เรายังนั่งข้ามฟากอยู่เราก็ต้องวิดน้ําออกมันทะลุเรือมันทะลุน้ําทะลักเข้าไปในเรือเราก็ต้องวิดน้ําออกวิดน้ําออกด้วยแล้วก็อุดรูด้วยซ่อมปุปปะไปทําไมเราจะข้ามวัฏสงสารได้อาศัยร่างกายนี่แหละเป็นเรือเป็นแพข้ามอัตภาพ คําวัตถสังสา ร, รจากฝั่งนี้ไปสู่ฝัง่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งไหนฝัง่งเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละเกิดแก่เจ็บตายวัตถสังสารสังสาระสังสาระคือการท่องเที่ยวท่องเที่ยวไปในพบต่างๆการมาพบรูปพบอรูปพบท่องเที่ยวไปก็คือเกิดดับเกิดดับเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายตายแล้วไม่เกิดไม่มี นอกจากว่าธาตุเสื่อมสลายหายไปจิตใจไม่ไปกเกาะกําเนิดเกิดขึ้นอีกท่านเรียกว่าตายแล้วไม่เกิดคือไม่เกิดเป็นรูปธรรมรูปธรรมไม่มีนามธรรมาก็ไม่ยึดเวทนาสัญญาสังขารก็ไม่มีเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์นี่ผู้รู้ที่จะบริสุทธิ์ได้ที่จะหมดจดได้มันจะต้องชําระขัดเกลาร์ การภาวนาที่เราทำนี่แหละเป็นการชำรนะเป็นการขัดเป็นการเกลาอยอดของการขัดการเกลายนีย่คือปัญญาขัดกล้ายเกิดปัญญาเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราจะเห็นทุกอย่างตามเป็นจริงตัณหาปาทานมาันก็มาครอบงำจิตใจเราไม่ได้เดี๋ยวนี้เราไม่เห็นตามอะไรตามเป็นจริงตัณหาปาทานมันถึงมาครอบงาจิตของเรา มันทําให้เรารักสิ่งนั้นชอบสิ่งนี้ยึดสิ่งนั้นยึดสิ่งนี้ชังก็ยึดชังก็อุปาทานรักก็อุปาทานชังก็อุปาทานทั้งรักทั้งชังมันเป็นคนลหน้าหน้าหนึ่งรักหน้าหนึ่งชังมันก็เป็นผลผลของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นถ้าเราจะเทียบน้ําหนักมันก็เท่ากันรักกับชังเท่ากันเพราะเป็นผลผลของกิเลสมันเสกสรรปั้นแต่งให้ให้จิต ให้จิตของเราเราก็เสพเสพข้อมูลไปตามมันเป็นข้อมูลเท็จเป็นข้อมูลปลอมเป็นข้อมูลเท็จนะไม่ใช่ข้อมูลแท้เพราะไม่ใช่สัจธรรมคนที่เข้าถึงสัจธรรมแล้วสามารถปล่อยประละวางตันหาวปาทานความรักความชังได้เข้าถึงอย่างแท้จริงจิตก็หมดจด ไม่มีการเกาะเกี่ยวกับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความเกี่ยวข้องผูกพันกันก็เป็นไปตามสภาวะของมันของมันไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรื่องของนามนธรรมก็สักแว่าเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณไปร่างกายก็สักแว่าเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟเข้าไปในระหว่างที่เราอยู่เรารับผิดชอบเราก็หาธาตุทั้งสีมาใส่เขา เป็นข้าวปลาอาหารของกินนั่นแหละใส่เข้าไปนั่นะคือใส่ธาตุทั้งสี่เข้าไปในกายเราไม่ใส่เข้าไปไม่ได้อันเก่ามันพร่องไปมันบกไปพร่องไปมันย่อยสลายไปน้ำก็ย่อยสลายไปเป็นปัสสาวะข้าวปลาอาหารที่เป็นกากจะเป็นเนื้อแท้ของธาตุมันก็ไปเป็นอุจาอจาระอุจจาระปัสสาวะ ร่างกายเอาไปดูดไปซึมในระหว่างที่มันดูดมันซึมเข้าไปมันก็ได้กําลังวังชายืยนได้เดินได้อะไรได้แต่ไม่มีสิ่งนี้ดูดซึมเข้าไปมันก็ไม่มีกําลังวังชาทําอะไรก็ไม่ได้เนื้อหนังมังสังก็ไม่มีมีแต่กระดูกเพราะฉะนั้นเรารักษาเขามีกําลังวังชายอยู่เขาก็มีเนื้อมีหนังมีอะไรเราก็มีเรียวมีแรงที่จะเดินที่จะนั่งมันไม่เป็นเหตุให้เกิดความกังวล เมื่อเราไม่กังวลเราก็ใช้สอยเขาได้ตามตามสะดวกสบายนี่มันมีความเกี่ยวขอ้องมีความผูกพันดูให้ออกดูให้สัลุบเรามานั่งประมวลดูว่าอะไที่เราจะพึงได้นักปฏิบัติเราที่จะพึงได้อะไรมีอะไรที่เราจะพึงได้มันไม่นีกนนนนนนนแก้วแวนเงินทองอะไรต่างๆอย่างน่งก็ไม่ใช่ สิ่งเหล่านั้นเป็นของใช้ของสอยของไปจําโลกของใช้ขอ ง, ของสวยพวกเงินพวกทองก็คือของสำหรับไปแลกไปเปลี่ยนไปจับใจเพื่อมาเป็นเครื่องนุ่งเครื่องหม่มเพื่อมาเป็นอาหารเข้าปากของร่างกายแล้วก็ประดับประดาแต่ถ้าเราไม่มีธรรมแล้วเรากนะ็หลงเราก็ลุ่มหลงกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นในเมื่อเราลงุลง่มหลงแล้วเราก็เพลินเพลินอะไรเพลินส่องเพลินสแสวงหา มนงทีก็ลืมอย่างเดียวแสวงหาอย่างเดียวอาศัยความโลภได้เท่าไหร่ก็ไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเราเห็นเขาเขาโลภนั่นนะเขาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอร้อยล้านก็ไม่พอพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่พอกองถ้าภูเขาอีกก็ไม่พ อ, อยังไไปอีกสักสองภูเขาก็ไม่พอ ห, หมดหมดทั้งโลกนี่ก็ไม่พออยากได้อีกสองโลกกรรมโลกรูปโล ก, อ ย, ก, โลกย อ, อยากได้อรูปโลกอีกยังไม่พออยากได้มันไม่พอขึ้นชื่อว่าตันหามันไม่มีเมืองพอท่านว่ามันไม่มีเมืองพออันนี้ก็คือผลผลของกิเลนั่นแหละมันทําให้เราเข้าใจผิดนึกผิดเข้าใจผิดสําคัญผิดยึดผิดไปงั้นแหะไม่เห็นไม่เห็นความจําเป็น แต่ธรรมะนั้นท่านให้ให้ดูไปเห็นเห็นความจำเป็นร่างกายรับทานครั้งละอิ่มนี่จำเป็นครั้งละอิ่มได้สี่ชั่วโมงอิ่มอีกหิวอีกแล้วสี่ชั่วโมงหิวอีกแล้วแต่ถ้าเป็นพระเราเนี่ยครับชันมื้อเดียวอยู่ได้ยีิบสี่ชั่วโมงอยู่ได้ยีิบสี่ชั่วโมงก็อยู่ได้มีกําลังบางชายอยู่ได้เดินจงกลมได้นั่งภาวนาได้แค่นี้ก็พอแก่อัตภาพร่างกาย แค่นี้ก็พอเพราะฉั้นท่านจึงวางภาระเอาไว้ให้พวกเราอความเป็นอยู่ของเราอาศัยบิณฑบาตอาศัยบิณฑบาตอาศัยข้อวัดปฏิบัติความเป็นอยู่ของเราอาศัยข้อวัดปฏิบัติอาศัยบิณฑบาตเลี้ยงชีพผ้พานุ่งหม่ม ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารกอาศัยบิณฑบาตเลี้ยงชีพเราไม่บิณฑบาตเขาเอามาถวายที่วัดนี่เขาเรียกว่าคาปติขคาปฏิจีวรเออยกคาปฏิพัดเอยเ่ยข้าปฏิจีวรเอยเ่ยาขุดดีกุด ต, ติที่อยู่ที่อาศัยที่เขาทําถวายเอย่ยอืม นี้ผูดเจ้าท่านก็ให้รับเมื่อก่อนท่านก็ไม่ให้รับกินอย่างจีวอนท่านก็ไม่รับอาหารก็ต้องบินทบาทออาหารที่เขานิมนต์ให้ไปนี่เลยก็ยังยังไม่ให้ไปรับตอนหลังถึงมาโ น, นโลงเมืม่อก่อนนั้นบินทบาทบินทบาทเป็นวัดอที่อยู่อาศัยก็อยู่โคนไม้เป็นวัดเครื่องนุ่งหม่มก็อาศัยผ้า จากซาศพเอามาตัดมาเย็บมา ย, ยอมจากพระบางสุกุลตอนหลังมาพระองค์กานองลมให้รับที่คริษฐ์หัดเขาอามาถวายอาหารที่คริษฐ์หัดเามาถวายที่วัดนี่เขาให้รับได้ทีวรนเขามาถวายก็ให้รับได้เสนาสนะเขาทำถวายเราก็รับได้แท้จริงสิ่งเหล่านี้ก็คือปัจจัยสีนั่นแหละ ปัจใจสีของพระกับปัจใจสีของยอมเหมือนกันนั่นแหละแต่นี้ผู้ติเจ้าท่านทรงประธานเอาไว้ให้โอกาสกับพระสงฆ์ให้โอกาสกับพระกับนักบวชอาหารไม่ต้องไปทามหากินไม่ต้องไปค้าขายถือบาทไปแล้วก็ได้เตรียมกลับมามจีวรเขาก็เอามาถวายที่อยู่อาศัยเขาก็ทําถวาย หยุกยาเจ็บไข้ใดป่วยไปเขาก็ไม่เอาอยากไม่เอาตังเขาก็ทําถวายแต่ถ้าเป็นครือข่ายอะไก็ต้องสแสวงหาต้องทำมาหากินต้องหาอยู่ต้องหาเพื่อทําที่อยู่ต้องหากินต้องหามาเพื่อให้ได้กินต้องหาหนุ่งหม่มต้องหามาเพื่อให้ได้ซื้อนุ่งซื้อซื้อหม่มต้องหามาเพื่อให้ได้เป็นค่าหยุกค่า ย, ยา ก็ต้องหาทั้งหมดแต่ถ้ามาสมัครเป็นบนรรพชิตแล้วมาบวชเป็นบนรรพชิตแล้วเนี่ยท่านก็ให้มีหน้าที่อย่างหนึ่งที่จะต้องทงํานี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีหน้าที่เราได้อยู่เราได้อยู่ดีแล้วเราได้ฉันอิ่มป่าอิ่มท้องแล้วเราได้นุ่งห่มดิบดีแล้วเราได้หยุดได้ยาใช้สอยแก้โรคภัยไข้เจ็บสะดุอยู่สะดวกสบายแล้ว วันคืนร่วงไปด้วยข้อปฏิบัติทำไงสมุทะทำใจให้สงบตักเกล็ตันหาสวะวิปัสนาพิจารณาเพื่อทำลายความรุ่มหลงของตัวเองมีสองอย่างแค่นี้เท่านี้เองเรามาเทียบดูกับกละาวากับฤหัสเขาเนี่ยพวกเราเนี่ได้เปรียบมากกว่าเขาเขายังต้องทำหากินแล้วก็ด้อย ได้โอกาสที่จะมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมเท่าไหร่เพราะเสียเวลาไปกับการทํามาหากินบางคนเขาเก่งเขาฉลาดเขาทำมาหากินได้เผื่อเผื่อลูกเผื่อหล้านเผื่อวันเผื่อเราวันนั้นวันนี้เผื่อจนเพียงพอแล้วสละมาอยู่วัดมาอยู่วาเพื่อปฏิบัติธรรมมีเขาเก่งนะถ้าเทียบกูแล้วเก่งมากกว่าเรามากมายมหาศาล เก่งมากสามารถอยู่ได้เรานี่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงวางไว้เงี้ยพวกเราอยู่ไม่ได้แม้แต่ท่านอนุโลมพ่อนผันให้เราอยู่สุขสบายถึงขนาดนี้แล้วบางทีเราก็ไม่สนใจหน้าที่ของเราสมถะก็ไม่ทาวิปัสสนาก็ไม่เจริญ หนักหนักเข้าปัจจัยสอยใช้สอยทั้งสี่ปัจจัยทั้งสี่ก็ไม่พิจารณาในที่สุดก็บริโภคของเขาบริโภคโดภ้วยความเป็นหนี้เข้าไปไม่พิจารณาจีวรบิณฑบาตเสนาสะนะแล้วก็บริโภคเข้าไปด้วยความเป็นหนี้หนี้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันจนหนาปุ๊บไม่ไม่พิจารณาแล้วถ้าเพื่อ ไม่บริสุทธิ์ต้องอาบัต์น้อยต้องอาบัต์ใหญ่ไม่มีความละอายในอาบัต์น้อยอ า, อาบัต์ใหญ่แล้วก็บริโภคปัจจัยสี่ที่รุ่นที่เจ้าท่านทรงอนุญาตไว้นี่ท่านถือว่าเป็นขโมยบริโภคด้วยความเป็นขโมยเพราะว่าปัจจัยทั้งสี่นี้ท่านไม่ให้ท่านไม่ได้อนุญาตให้กับผู้ทุศีน ท่านอนุญาให้กับผู้มีสินนี่เราควรคิดนะไม่งั้นเราลืมตัวือทําผิดสินน้อยทําผิดสินใหญ่มันไม่มีคนจับไปใส่คุกใส่ตารางไม่มีคนเอาไปไประจานเราก็เลยไม่เกิดความหวาดกลัวมันเป็นอย่างนั้นน่ลืมตัวเข้าไปอีกทับถมเข้าไปอีกงอหัวไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ให้ประมาท ในปัจจัยทั้งสี่ทพิจารณากีวรพิจารณาบิณฑบาพิจารณาเสนาสนะพิจารณากิฬานเภสัชเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องบำรุงให้อัตภาพร่างกายนาร่างกายของเราอยู่ได้เป็นได้ <nh at> เพื่อจิตใจของเราจะได้ตั้งหกตั้งใจภาวนาจะได้เข้าใจ เรื่องอัดเรื่องทำจะได้มีสมาธิจะได้มีปัญญาจะได้รู้เรื่องของกิเลสจะได้ต่อกรกับมันเพื่อมันจะได้ยุยบย่อไปอย่างหัวใจของเรามันตกไปกี่ตัวมันตกไปกี่ตัวมันจะเบาบางไปเท่าไหร่ก็ตั้งอกตั้งใจทำไปตั้งใจทําไปตลอดชีวิตได้มันจะไปถึงไหนกันนะตั้งใจเอาให้มันตลอดไปเนะี่ะ เอาชีวิตนี้ทั้งชีวิตเป็นเดิมพันมันจะไปไหนตั้งใจเอาลองดูเอาละพอสุสมควรวนะเนาะที่คณะบดีฝนอากาศก็เย็ยนดียุงก็ยังไม่กวนยังไม่ค่อยมียุงอากาศก็เย็ยนดีบางทีมันก็ต้องต้องอาศัยสิ่งรอบข้างเราประกอบเหมือนกันนะ บางทีมันร้อนอบอ้าวบางทีมันนั่งมันก็ไม่เป็นทำแหน่งอ่ร้อนเกินไปอ่ะเหรอแต่แต่ตั้งใจตั้งใจถ้าตั้งใจกำหนดพิจารณาดูความจริงอ่ะมันทําได้เท่านั้นแหละไม่ว่าจะเป็นร้อนไม่ว่าจะเป็นหนาวไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าจะหมดแรงใกล้จะตายมันทําได้เท่นั้นแหละ เราจะตั้งใจจะพิจารณาเพราะมันทำงานข้างในทำงานที่ใจถ้าสติสัมปชัญญะของเราแก่กล้ามีธรรมะเป็นพื้นฐานที่ดีเราทำสามารถทำได้ร้อนก็รู้ว่าร้อนหนาวก็รู้ว่าหนาวถามอยู่เรื่อยเหมือ น, นลงุงบุรีท่านสอนน่ะท่านสอนให้ถามอยู่เรื่อยถ า, ามนั่นถามนี้ถ า, ามนั่นถามนี้ถาม การถามนะมันเป็นเหตุเปิดเปิดปมปัญหาขึ้นมาแนะม้แต่เราภาวนาติดขัดเข้าไปข้างในเราก็ถามได้มันเป็นการกระตุกส ต, ติกระตุกจิตที่หลงเข้าไปเนะี่ยให้ตื่นเน้อตื่นตัวขึ้นมาได้ถามขึ้นมาถามตัวเองนะสงสัยอะไรก็ถามเข้าไปเลย น้องสาวอะไรก็ถามเข้าไปเลยนุ้งปุรีท่านสอนให้ถามเลยอ่ะตอนนี้แหละทำวัด